ดังนันจิตพระลารหันนะไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ส่วนจิตของผู้ปฏิบัตินะถ้าไม่บังคับไว้ก็ไหลไปนะนี่เราคิดว่าบังคับไว้แล้วเราจะเป็นพระละหันหรือไม่มีทางเลยนะทางที่จะทําให้เป็นพระละหันได้ก็คือต้องรู้ความจริงลงมานะในขันห้าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภัพระธรรมารมณ์ธรรมา ร, รมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะ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 ฟังด้วยใจเย็นๆฟังไปอย่างสบายใจฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับให้รู้สึกอย่างบางคนไปนั่งสมนั่งสกิเนี่ยกาจะให้รู้สึกอย่างนี้ไม่รู้สึกนะบางคนขยับรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่าเผล อ, อย่าเผลอเนี่ยถูกหลอกทั้งสิ้นนะ